วิญญาณคือธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณในความหมายของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจจริงๆนั้นท่านจะต้องละทิ้งความเชื่อและความเข้าใจกเก่าๆหลายอย่างถึงแม้หากว่าจะฝืนก็ต้องยอมไปก่อนมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกในใจอย่างไรก็ตามก็ขอให้เก็บความเข้าใจกเก่าๆเอาไว้ก่อน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 เหตุผลในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้ชี้แจงพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆเป็นการชี้แจงสำหรับผู้รู้ที่เรียนมามากเช่นในหนังสือพุทธวิทยาหนังสือคํญญาบรรยายพุทธประชญาและในหนังสือวิญญาณรวมเล่มของปีที่หนึ่งส่วนในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่ชี้แจงเพราะเรื่องนี้ต้องการจะเขียนให้เป็นเรื่องง่ายๆสาหรับผู้ที่จะเริ่มต้นศึกษาเรื่องวิญญาณถ้าเราเอามาเล็ดผลม้ที่ยังไม่เสีย ซึ่งหมายความว่าเมื่อเอาไปเพาะแลวงอขึ้นได้สำหรับมเมล็ดผลไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่าในมเมล็ดมีวิญญาณแต่วิญญาณที่ว่านี้เราจะมองไม่เห็นตัวถึงแม้ว่าเราจะเอามาหาแยกแยกดูอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจจะพบตัววิญญาณแต่ที่เรารู้ว่าวิญญาณมีอยู่ในที่นี้ก็เพรา ะ, มะเมล็ดผลไม้อันนี้มีชีวิต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 กับในยะการอธิบายที่ต้องการความหมายคร่าวๆในเบื้องต้นเพื่อปูพื้นให้คนทั่วไปเข้าใจก่อนได้ง่ายควรเข้าใจเจตนาการอธิบายธทมในแต่ละครั้งให้ตรงกันกับจุดประสงค์ของผู้บรรยายหรือแม้แต่พุทธวัจนะเองก็ตามนะครับอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นนมามธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรมย่อมไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5คือจะใช้ตาดูหรือใช้หูฟังเป็นต้นย่อมไม่มีทางจะรู้ได้คนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างละเอียดลึกซึ้งต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีเรื่องวิญญาณต้องศึกษาด้วยวิธีทางสมาธิเท่านั้นจึงจะสามารถรู้แจ้งการศึกษาดวยวิธีอื่นเป็นทางอ้อมไม่มีทางที่จะรู้เรื่องวิญญาณอย่างถูกต้อง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 แล้วเมื่อถือว่าต้นไม้เกิดจากวิญญาณวิญญาณเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแผ่นดินแม่น้ำภูเขาสิ่งต่างๆที่รายชีวิตจะเกิดขึ้นมาจากวิญญาณด้วยหรือเปล่าปัญหานิทานองนี้ขอให้เก็บเอาไว้ก่อนข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่าถ้าท่านศึกษาไปโดยลำดับและมีความรู้ในขั้นต้นแจ่มแจ้งดีแล้วปัญหาที่ว่านั้นทั้งหมดท่านสามารถที่จะตอบได้ด้วยตัวของท่านเอง